พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงรู้ทรงเห็นด้วยการปฏิบัติมาแทบลงแทบตายเกี่ยวกับจุดสำคัญของมหาสมุทิมหานิยมและมหาทุกข์กลายเป็นมหาสุขบร ม, มสุขขึ้นมาได้ มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นในสามโลกธาตุนี้มีจํานวนของสัตว์โลกมากเท่าไหร่ทําไมจึงสงทราบได้เฉพาะพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นทั้งๆ ท, ที่สิ่งเหล่านี้มีอยู่กับทุกตัวคนและสัตว์เพราะสิ่งเหล่านี้อยู่กับใจ เพราะฉะนั้นใจจึงเรียกได้อย่างเต็มปากไม่ผิดจากหลับความจริงเลยว่าเลยว่าคือสถานที่ผิดเรื่องอุปกรณ์ต่างๆของพบของชาติอยู่ตลอดเวลาตัวพบตัวชาติแท้ก็คือยิตตอวิชชา นี่เป็นของที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันมาเป็นเวลานา น, านแสนนานในบรรดาบุคคลและสัตว์รายหนึ่งหนึ่งตัวหนึ่งหนึ่งกิริยาที่แสดงออกแห่งอาการของกิตตวิชานั้นมีหลายประเภทนับไม่ต้วนท่านกล่าวไว้เพียงย่อวอว่า ยี่เล็ดพันห้าตันหาร้อยแตดมีออกซึ่งเป็นขแขนงเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นที่ทำงานและก่อโกยผลของงานอันเป็นความทุกข์ความลำบากมาสู่ดวงใจของสัตว์โลกมีมากมายออกจากยิตาอวิชาเพียงอันเดียวเท่านั้น สิ่งเหล่านี้เป็นของที่มีอยู่ดั้งเดิมในสัตว์และบุคคลทั่วไปแต่ไม่มีใครที่จะสามารถจะรกรู้ของสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นตัวพิษตัวภัยได้แม้แต่รายเดียวนอกจากพระพุทธทเจ้าเท่านั้นเพราะนั้นการที่จะประพฤติปฏิบัติ คนวนคว้าสิ่งเหล่านี้ตามหลักศาสนธรรมที่ทรงประทานไว้แล้วจึงไม่ถือว่าเป็นของยากของลำบากอะไรพอที่จะให้สุดอิสัยด้วยเหลือกำลังความสามารถของพวกเราชาวพุทธเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งแทงตลอดความวัตจักรออกจากวัตจิต ให้กลายเป็นมิมุติหลุดพ้นขึ้นมาที่จิตดงนี้ผู้ที่ยากลำบากจะพูดเรียกว่าตัดพระเศียรหรือตัดพระไทยเพื่อรับรองสัตว์โลกทั้งมวลก็ไม่ผิดเพราะพระพระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาเอกของโลกทรงปรารถนาความเป็นศาสดาเพื่อ หรือสัตว์ขนโลกหรือขนสัตว์โลกมาเป็นเวลานานและทรงทุ่มเทพระสติกำลังความสามารถทุกด้านทุกทางเรื่อยมาไม่เคยลดหย่อนอ่อนข้อท้อถอยแต่ประการใดถ้าเป็นทางก็ไม่ใช่ทางธรรมดาที่เราสร้างกันขึ้นเป็นทาง หลวงของโลกทั้งสามทีเดียวที่จะได้ท่องเที่ยวสัญจรไปมาได้ด้วยความสะดวกจากการสร้างขึ้นของพระพุทธเจ้าได้แก่ทางศาสนาธรรมตั้งแต่พื้นพื้นจนกระทั่งถึงวิมุตติพ้นเป็นทางที่ทรง ประทานไว้โดยถูกต้องแน่นยางไม่มีที่คำว่าผิดเพราะฉะนั้นคำว่ามัชิมาปฏิปทาจึงเป็นทางที่เหมาะสมอย่างยิ่งของสัตว์โลกที่จะพยายามไต่เต้าไปตามสติกำลังความสามารถของตนจนถึงขั้นหลุดพ้นตลอดภัย ด้วยมัชฌิมาปฏิปทานี้เพราะพระองค์สร้างไว้แล้วโดยสมบูรไม่มีอะไรบกกร่องแม้แต่น้อยเลยการสร้างพระบรมีแต่ละชาติพบของโภคนั้นเอาชีวิตจิตใจเขาและจนถึงวาระสุดท้ายทุกๆภพทุกๆชาติไปจะจะเห็นได้ชัดถึงเรื่อง ความภาคเพียรความอดทนความเป็นนักต่อสู้เพื่อสัตว์โลกจริงๆก็คือศาสดาของพวกเราทุกยากลำบากขนาดไหนในพบใดชาติใดที่ ท, ทรงบำเพ็ญจนกระทั่งถึงพระชาติสุดท้ายคือพระสิท ธ, ธาราชากุมารเสด็จออกทรงผนวน ทรงบำเพ็ญความด้วยความลำบากลำบุญด้วยมาจนถึงนิตรัสรูสมพระไัยหมายในความเป็นจะเป็นาศาสดาของโลกโดยแท้จริงแล้วเจงแล้ประธานเขาวาดที่ทรงบำเพ็ญมาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและเห็นผลเป็นที่พอพระไัยนั้นแกบรรดาศาสตร์โลกด้อยมา นี่คือความลำบากลำบนในการบำเพ็ญเหตุของพระพธธุทธเจ้าเราพูดได้รับแล้วซึ่งพระโอาวาทอันถูกต้องแม่นยำของพระองค์น้อมเข้ามาเพื่อประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นก้าสิบอยู่ภายในจิตใจกายวาจาของตนเท่านั้นถ้าจะถือว่าเป็นความลำบากลำบนแล้ว เราก็เป็นคนหมดหวังไม่มีทางที่จะเ ร, จรอดจากกองทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ไปได้คงจะจมอยู่นี้เป็นอนันตการหาทางพ้นไม่ได้เพราะทางพ้นนั้นถูกปิดตันแล้วด้วยอำนาจของกิเลสตันหาอาสวะประเภทต่างๆที่ออกอุบายหลอกลวงเราให้ท้อถอยอ่อนแอไปด้วยอาการต่างๆเช่น เป็นการบำเพ็ญลำบากบ้างรวาวะสนาน้อยบ้างกำลังความสามารถไม่เพียงพอบ้างทำไปก็ลำบากลำบนอย่างนี้บ้างสติปัญญาไม่มีบ้างการจะก้าวเข้าสู่แนวธรรมของพระพุทธเจ้าเกี่ความพ้นทุกข์โดยอาการใด ก็ถูกกิเลสปิดล้อมลึกขั้นไว้เสียทุกทุกอาการจนหาทางออกไม่ได้และมอบความท้อใจให้แก่พวกเราจากกิเลสแล้วเราจะมีทางก้าวจากจากกองทุกนี้ไปได้ที่ตรงไหนได้เคยแสดงเสมอว่าวิธีการต่อสู้กับกิเลสนั้น เป็นสิ่งที่ยากเย็นเข็นใจทุกแม่ทุกขนแขนงแห่งการต่อสู้ดังพระพุทธเจ้าทรงต่อสู้มาเป็นเวลานานแล้วจึงได้ผลสำเร็จภาษาวพท่านก็เช่นเดียวกันเพราะทางนี้เป็นทางที่ฝืนขวาน้ำคือกิเลสทุกประเภทไม่ใช่จะเดินไปอย่างราบรื่นดีงามสะดวกสบาย หายห่วงในเอียบทต่างๆที่ว่าประกอบความเพียนไม่มีอะไรมากีดมาขวางมาลวงจิตใจให้ลุ่มหลงงมงายต่างๆเป็นไปด้วยความราบรื่นดีงามสติปัญญาก็คล่องแคล่ ว, ก ล, วกล้าขึ้นมาเองสมาธิก็เกิดขึ้นมาเองมรรผลนิพพานก็เกิดขึ้นมาเองอย่างนั้นหาไม่ได้ องเป็นขึ้นมาด้วยความฝ่าฝืนความต่อสู้กับกิเลสทุกๆุกประเภทเนื่องจากมันสมอยู่ที่หัวใจของเราเป็นเวลานานจนนับเงินตนเงินปลายไม่ได้ว่าตัวไหนเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่เพียงแต่คำว่ากิตะวิชานี้ก็พร้อมแล้วที่จะผลิตยูกผลิดหลานของกิเลส ข, ขึ้นมา ให้เป็นที่พอกับความต้องการของเจแล้วเราจะผิดจาราอาวุธได้จะทำของพระพุทธเจ้าขึ้นมาภายในจิตใจแต่และแง่แล้วแขนงนั้นต้องถูกตัดถูกทอนถูกหี่ถูกขวางถูกย่ำยีตีแหลกจากกิเลสมาแล้วกี่ครั้งกี่หนเราเคยได้ทบทวนดูบ้างหรือไม่ในแง่แห่งความเพียงเหล่านี้ กับการต่อสู้กับกิเลสหากยังไม่ได้ทบทวนเลยก็ควรทราบว่าเรานั้นแพ้กิเลสมาอย่างราบโดยลำดับในวงแห่งความเพียรของเราเองจึงต้องใช้สติปัญญาศัทาความเพียรด้วยความรอบขอบขอบคิดอยู่เสมอจึงจะมีทางแหวกว่ายไปได้เป็นระยะระยะ แล้วความเพียรเป็นสำคัญที่จะเป็นเครื่องสนับสนุนให้ก้าวหน้ามาให้ถอยหลังได้สติปัญญาเป็นเครื่องมือบุกเบิกทางเดินอันเต็มไปด้วขวากน้าคือเกลเอตประเภทต่างๆปิดบังไว้อย่างมิดชิดปิดตาอะไรเบริกออกไปด้วยอำนาจของสติปัญญาที่เราผลิดขึ้นทุกวันทุกวัน จนเป็นทางเตียนโล่งขึ้นมาด้วยสมาธิตามขั้นของสมาธิเตียนโล่งขึ้นมาด้วยโดยทางปัญญาตามกำลังแห่งขั้นของปัญญาและเตียนโล่งไปหมดไม่มีจิตใดเหลือเพราะปัญญาเป็นเครื่องฟาดฟันหั่นแหลกทิเลศไม่มีตกค้างอยู่ภายในจิตใจได้เลย นี่เป็นทางเดินของผู้จะต่อสู้กับกิเลสจะพึงใช้สติปัญญาเป็นสำคัญอยู่ภายในใจนี่แหละเพราะกิเลสอยู่ที่นี่ยาเข้าใจว่าอยู่ที่ไหนวัตตะวลของจิตจึงอยู่ที่นี่เนื่องจากกิเลสพาให้วกให้วนขนทุกข์ใส่ตนด้วยงานของมันที่ทำ โดยหาสิ่งกีดขวางมันไม่ได้เพราะเราไม่มีสติปัญญาที่จะกีดขวางกิเลสสร้างงานขึ้นมาภายในจิตใจของเราและผลของมนันของของงานมันก็คือความทุกข์ความลำบากความเดือดร้อนในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อแต่ไหนแต่ไรมากิเลสเป็นอย่างนั้นไม่เคยสงสารใครก็คือกิเลส เอารัดเอาเปรียบสัตว์โลกที่สุดก็คือกิเลสต้มตุนหลอกลวงเก่งที่สุดไม่มีใครเสมอในโลกทั้งสามนี้ก็คือกิเลสวัถีบังคับรีดไถทุกประเภทให้จิตหยุดใต้อำนาจมอบราบคาบย้าอยู่เช่นนั้นก็คือกิเลสไม่ใช่สิ่งอื่นใด อย่าพากันคิดกันค่าให้เสียเวลาอันเป็นเรื่องส่งเสริมพิเลสไปโดยถ่ายเดียวอีกเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเพราะฉะนั้นจงสำนึกใจของตนซึ่งเป็นสถ า, านที่ผิดพิเลตทุกประเภทขึ้นมาเพื่อเป็นกองทุกข์กับเหล่านี้ให้เป็นสถ า, านที่รบกับพิเลสประเภทต่างๆด้วยศรัทธาความเชื่อมั่น ต่อการปราบกิเลสว่าจะต้องชนะวิริยะความภาพเพียรต่อสู้ยาได้ลดละทอ้อถอยสติเป็นเครื่องกากับทุกอาการของจิตที่แสดงออกในแง่ใดก็ต่าสมาธิพยายามบังคับกิเลสต่อสู้กิเลสตัวฉุดลากจิต ให้ฟุ้งซ่านลำคาญไปตามอารมณ์ต่างๆซึ่งเคยได้สัมผัสสัมผั์กันมามากน้อยเพียงไร น, นับไม่ถ้วนดีแล้วเพราะอำนาจแห่งความรุ่มหลงของกิเลสนี่แหละให้เป็นความลุ่มหลงในอารมณ์ทั้งหลายให้ย้อนเข้ามาสู่ความสงบด้วยอำนาจแห่งความเพียร ศรัทธาสาติและปัญญาของเราจนได้ย่ายอมให้จิตฟุ้งเฟอ้อเหอ่อเหิมไปในอ า, อารมณ์ต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของจิต ป, ปรุงแต่งขึ้นมาหลอกตนเองด้วยอำนาจของกิเลสนั่นแหละคือจิตตาอวิชชามันเป็นเครื่องหลอกเครื่องวาดภาพขึ้นมาภาพเรื่องนั้นภาพเรื่องนี้ แสดงเรื่องราวนั้นขึ้นมาเรื่องราวนี้ขึ้นมาอาดีตผ่านไปแล้วกี่ปีกี่เดือนก็ปั้นขึ้นมาปรุงขึ้นมาหลอกเราอย่างสดสดร้อนร้อนแล้วก็เชื่อมันอย่างสนิท ต, ติดจมขนทุกข์ขึ้นมาเพราะความเชื่อมันอย่างติดจมนั้นมากน้อยเพียงไรเราไม่มีทางทราบได้เพราะเชื่อมันอย่างจมมิดแล้ว อดีตผ่านมามากเท่าไร่ไม่ว่าจะมันจะปรุงเรื่องใดขึ้นมาเป็นต้องเชื่อมันทุกทุกระยะแห่งความคิดความปรุงความผิดขึ้นมาหลอกข้องมันอนาคตที่ยังไม่มาถึงก็ปรุงแต่งไปแล้วปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องดีเรื่องชั่วเกิดจนเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาภายในตนุนขึ้นชื่อว่า สิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นด้วยอำนาจของกิเลสเป็นผู้บงการแล้วจะไม่มีผลสะท้อนย้อนกลับมาทับถมหรือบีบคั้นจิตใจนี้เป็นไม่มีนะเพราะฉะนั้นจงทราบว่าอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นร้อยทั้งร้อยเป็นเรื่องของกิเลสมันผิดงานข้องหมันขึ้นมาโดยอิสระไม่มีสิ่งต่อต้าน หรือต้านทานขีดขวางต่อสู้มันบ้างเลยถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติเราเท่านี้จะเป็นผู้ใดเราราบทราบจุดใหญ่จุดแห่งวัฏจักรวัตสงสารจุดแห่งพาให้เกิดแก่จิบตายขนทุกข์มาพร้อมในภพชาตินั้นๆจะมีที่ไหนถ้าไม่มีที่จิตจะเป็นผู้ใด ที่จะรู้จะเห็นสาเหตุแห่งความเป็นมาของเกิดความเกิดแก่เจ็ดตายและเป็นไปด้วยถุกนี้ถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจา้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วโดยถูกต้องนีเยึดมาประพฤติปฏิบัติเป็นเครื่องมืออันให้ติดแนบ ก, กับตนไม่ประมาทในอาการต่างๆของจิตที่แสดงออก ไม่มีผู้ใดจะรับทราบได้มีผู้ปฏิบัติตามหลักแห่งสวาาธรรมจะเพออาะยายิ่งนักบวชนักปฏิบัติเรานี่แหละจะเป็นผู้รู้ได้เห็นได้และทำลายกงจักรแห่งวัฏจักรซึ่งมีอยู่ภานาจิตใจนี้ได้เป็นลำดับ ก, ด, กด้วยอำนาจแห่ง สัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาอันเป็นหลักใหญ่เมื่อสติปัญญาซึ่งเป็นฝ่ายธ ร, รมได้เข้าทำลายกงจักร ค, คือโรงงานของจิตตบิชจาของวัตจักซึ่งมีอยู่ภายในจิตนั้นโดยลำดับแล้วสมาธิที่ได้ยินแต่ชื่อในตำรับตำลาก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างชัดเจนในจิตของเราว่า จิตเวลานี้ได้รับความสงบแล้วด้วยอุบายวิธีนี้วิธีนี้นะสงบเข้ามากเพียงไรก็พึงทราบ ว, ว่ากิเลสได้สงบตัวไปมากเท่าเพียงนั้นได้ต่อสู้ต้านทานกับกิเลสซึ่งตัวพาให้ฟุ้งซ่านพาให้จิตฟุ้งซ่านได้มากน้อยเท่านั้นพอจะยังจิตให้เข้าสู่ความปลอดภัยได้แก่ความสงบ ได้เป็นพักๆไปได้นี่ก็เป็นผลอันหนึ่งของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรประมาทคำว่าสมาธิเพื่อความสงบใจอันเป็นธรรมชาติสั่งสมกำลังขึ้นมาภายในใจอย่างน้อยก็เป็นต้นทุนให้ใจได้รับความสงบร่มเย็นทรงตัวได้ไม่สายแสไม่วุ่นวายไม่ถูกกิเลสตัวฟุ้งซ่านนาคาย เหยียบย่ำทำลายไปเสียทุกการสถานที่ทุกียาบทยังพอปรากฏเป็นความสงบตัวอยู่ได้ด้วยสมาธิธรรมเพราะอำนาจแห่งความเพียรนี่หลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้ขอให้ทุกท่านพิสูจน์เรื่องกองทุกข์ของตนนี้อยู่ที่จิตใจนี้เท่านั้น ร่างกายเป็นวิบากขันผลพลอยได้มาจากกิเลสประเภทหนึ่งแล้วจะให้เป็นอย่างอื่นอย่างใดไปอีกก็ไม่ได้เป็นเพียงวิบากของขันทุกกระทุก์เท่าขันคือรู ป, ปรขันเวทนาขันที่มีอยู่ในนี้เท่านั้นจะให้มากยิ่งไปกว่านี้ก็ไม่มากแต่ส่วนทุกที่จะเกิดขึ้นมาเพราะอํานาจของกิเลสขิดขึ้นและ เผาพรานจิตใจให้ทิพไายปนปี้วอดวายทั้งๆ ท, ที่จิตก็ตายไม่เป็นนั้นมีจำนวนมากยิ่งกว่าทุกภายในธาตุในขันนี่เป็นไหนๆจึงควรเห็นโทษแห่งทุกนั้นที่เกิดขึ้นมาจากอำนาจของกิเลสผิดนั้นว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะรีบแก้ไขให้หมดสิ้นไปจากใจเสียตั้งแต่บัดนี้ ธาตุขันต์ก็จะกลายเป็นธรรมดาของธาตุของขัน์หรือเป็นขันต์ลน้วนไปเสียไม่มีกิเลสตัวใดเข้ามาเสริมขันต์เป็นทุกขอย่างนั้นอย่างนี้มากขึ้นไปด้วยความสัมพันธ์ของใจเองความทุกข์ความลำบากภายในร่างกายมีได้ทั้งพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกท่านเพราะเป็นนิบาตเป็นผลที่ปรากฏขึ้นมาแล้ว และเป็นเรือนของทุกข์ที่จะต้องอยู่อาศัยจนกระทั่งเรือนร่างนี้แตกสลายไปเมื่อไหร่ทุกข์จึงจะสลายไปตามขันนี้ไม่มีเงื่อนสืบต่อหมดไปแต่ทุกข์ภายในจิตใจนั้นยังมีเงื่อนสืบต่อเพราะกิเลสพาให้สืบกิเลสเป็นต้นเหตุพาให้เกิดทุกข์ขึ้นมาเรื่อยๆไม่มีทางสิ้นสุดถ้าไม่แก้กิเลสอันเป็นตัวเหตุสําคัญผิดทุกข์นั้นเสีย จะไม่มีทางุพ้นเป็นอิสระเสรีภายในจิตใจได้เลยนี่เป็นหลักสำคัญที่เรานักปฏิบัติทั้งหลายจะพึงผู้เขี่ยขุดค้นในจุดสำคัญคือโรงงานของวัตตะซึ่งมีอยู่ภายในวัตจิตนี้ไม่อยู่นอกเหนือจากนี้ไปเลยอย่าเสียนายสิ่งใดใดในโลก เป็นสิ่งที่เคยมีเคยเป็นเคยประสบพบเห็นเคยผ่านมาแล้วทั้งนั้นไม่เลยยิ่งกว่านั้นไม่พาคนให้วิเศษวิโสไม่พาคนให้หลุดพ้นจากทุกขไ์ได้เหมือนการหรือถอนกิเลสอันเป็นสิ่งที่ต่ำช้าเร็วตามและเป็นสิ่งที่โศกกระปรกรกรุงรังเป็นสิ่งที่ก่อทุกข์ให้สั์ทั้งหลายได้รับความล่มจมไปมากที่สุดนี้ นี่เป็นสำคัญขอให้หรื้อถอนตนเหตุนี้ด้วยความภาคเพียรด้วยสติปัญญาของเรายาได้ลดละความเพียรให้เสียดายที่ตรงนี้อย่าให้ความเพียรดูดไปเสียไปแม้แต่ขณะหรือเวลาหนึ่งให้มีความเสียดายต่อความภากเพียรเสียดายต่อการต่อสู้ที่เด็ดตัญหาอาสะวะเพื่อชัยชนะขึ้นมา สรุปแล้วให้เสียดายชัยชนะให้เสียดายความหลุดพ้นจากทุกข์ให้เสียดายความเพียรที่เป็นเครื่องแก้ด้วยเครื่องถากทางวิเดหหรือเครื่องดําเนินเพื่อความหลุดพ้นจากวิเดห์โดยประการทั้งปวงนี่เป็นความเสียดายเป็นความอะไรที่ถูกต้องการเสียดายการอะไรสิ่งทั้งหลายในโลกนี้นั้น เป็นเรื่องของวัตถจิตพาให้หมุนพาให้เยียนหลอกลวงแล้วขนทุกข์ให้เราตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายเหมือนฟุตบอลกลิ้งไปกลิ้งมาพบน้อยพบใหญ่ซึ่งเต็มปไปด้วยทุกในทุกพบทุกชาติแม้ขณะที่กลิ้งไปกลิ้งมาอยู่นั้นไม่ปราศจากทุกได้แม้ขณะเดียวให้เห็นภายในสิ่งเหล่านี้ประจากใจตามหลักธรรมของพระที่เจ้าที่ทรงพบมาแล้วทั้งทุก ทุกประเภทภายในพระกายก็ทรงทราบแล้วทุกภายในพระจิตพระองค์ก็ทรงทราบสาเหตุที่ใหเกิดทุกทั้งสองประเภทนี้ขึ้นมาภายในกายและจิตพระองค์ก็ทรงทราบและทรงถอดถอนออกโดยชินเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือเหลือแต่ความบริสุทธิ์วิมุตต์ล้วนๆแล้วนั่นแหละคือจิตดวงประเสริฐธรรมดวงประเสริฐธรรมกับจิตเป็นอันเดียวกันแล้ว ไม่มีคำว่าสองนั่นแหละที่นี่จะเห็นได้ชัดเจนประจับใจพระองค์ได้เห็นประจับข้าไทยแล้วเราผู้ประพฤติปฏิบัติเมื่อได้ถอดถอนสิงลามกโรคกรุงดัง อ, อกความทุกข์ให้แต่เราโดยไถ่เดียวนี้ออกได้แล้วก็จะต้องเห็นประจับเช่นเดียวกันว่าไม่มีสิ่งใดอีกแล้ว ที่จะมายุแย่ก่อกวนจิตใจให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธให้โลภให้หลงโดยประการต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสอาสวะทั้งหมวลเพราะกิเลสได้สิ้นรากไปหมดแล้วจากจิตใจถึงกลายเป็นใจอิสระเสรีตั้งแต่ขณะนั้นไปแล้ว เราจะเห็นคุณค่าแห่งความภาเพเปลี่ยนของเราหนักเบามากน้อยสละเป็นสละตายมาว่ามีคุณค่าอย่างยิ่งถ้าไม่มีความเปลี่ยนขนาดนั้นเป็นเครื่องหนุนแล้วผลคือความอิสระเฉลี่ยและความประเสริฐภายในจิตใจซึ่งไม่เคยรู้เคยเห็นนี้จะไม่ได้พบได้เห็นกันเลยแต่นี้ได้ปรากฏขึ้นแล้วภายในใจของตนเองเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทรงปรากฏ และพระสงฆ์สาวกทั้งหลายปรากฏเป็นธรรมประเภทเดียวมีความสม่ำเสมอกันไม่มีของท่านผู้ใดเยี่ยงยอนกว่ากันเพราะฉะนั้นการเห็นความพระจักในความบริสุทธิ์ของตนโดยสมบูรณ์เต็มที่แล้วจึงเป็นอันเป็นการเห็นพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์โดยสมบูรณ์ และภาษาของพระพุทธเจ้าแต่พระองค์โดยสมบูรณ์อยู่ภายในใจดวงเดียวของตนนี้ไม่สงสัยการที่จะลบล้างพระพุทธเจ้าถ้าทำพระสงฆ์ว่าไม่มีนั้นธรรมชาติที่รู้ที่เป็นอยู่ภายในจิตใจของตนประกาศอย่างจงแจ้งอยู่แล้วกับตนเองว่าทำประเภทนี้ลบล้างได้หรือไม่ ลบล้างได้อย่างไรเมื่อธรรมชาตินี้ไม่ใช่ฐานะที่จะลบล้างด้วยยิทีการใดๆได้แล้วพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกจะมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านหรือกี่ล้านล้านพระองค์ก็าตามก็ไม่ใช่ฐานะที่จะไปลบให้สาบสูญไปจากโลกได้นี่แหละคำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคต โดยสมบูรณ์นั้นเห็นในขั้นความบริสุทธิ์ของใจตนเองเมื่อใจของตนได้บริสุทธิ์เต็มที่แล้วก็ทราบชัดในความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าและสาวกและธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้ได้สิ้นสูญไปไหนหรือจะสิ้นสูญไปไหนก็ทราบได้ชัดว่าไม่มีความเคลื่อนไหวแบบสมมติทั้งหลาย เปลี่ยนไม่มีความเปลี่ยนแปลงแบบสมมติทั้งหลายเปลี่ยนแปลงกันจึงไม่มีความสาบสูดังโลกสมมติทั้งหลายสาบสูกันเป็นแบบของธรรมชาติที่บริสุทธิ์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นแบบอื่นไม่มีแทกเพราะนี้ไม่ใช่สมมติจ้าสมมติเข้ามาแทกได้อย่างไรเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ยอมรับ พระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกอย่างเต็มใจเช่นเดียวกับเรายอมรับตายที่บริสุทธิ์ของเหล่านี้หาที่ขัดที่แย้งไม่ได้เพราะเราหาที่ขัดแย้งใจของเราไม่ได้เราประจักษ์ใจของเราในทางความบริสุทธิ์เต็มดวงใจแล้วก็เป็นการเชื่อพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่าน ซึ่งเป็นแบบเดียวกันนี้อย่างเต็มใจเช่นเดียวกันดังนั้นผู้ที่ได้รู้ได้เห็นธรร ม, มะอันบริสุทธิ์ภายในจิตใจใจกับธรรมเป็นธรรมชาติอันเดียวกันแล้วจึงไม่สงสัยพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกแม้จะมีจำนวนมากน้อยและปริพานไปนานเพียงไรก็ตามตามการตามสมัยตามสมมุตินิยมธรรมชาตินี้ไม่ใช่ การไม่ใช่สมัยไม่ใช่สมมุตินิยมแต่แต่เป็นหลักธรรมชาติของวิมุตต์หลุดพ้นเป็นอย่างนี้ก็ทราบภายในใจของตนอย่างชัดเจนนี่แหละคือความแนบสนิทของจิตกับธรรมทรรมถึงกันที่จิตจิตเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับธรรมทั้งหลาย ไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่าจิตไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นของคู่ควรยิ่งกว่าจิตสำหรับธรรมธรรมจะมีมากน้อยพระพุทธเจ้าปรินิพานไปจํานวนมากน้อยเพียงไรพระสงฆ์สาวกท่านบริสุทธิ์พิมุตต์หลุดพ้นไปจํานวนมากและนิพานไปแล้วจํานวนมากน้อยเพียงไรไม่มีอะไรเป็นเครื่องพิสูจน์ เพราะจิตไม่สามารถเพราะไม่มีเครื่องมืออื่นที่จะพิสูจน์ธรรมชาติเหล่านั้นให้เห็นประจักษ์ขึ้นมาตามความเป็นของธรรมชาตินั้นความมีของธรรมชาตินั้นมีจิต ด, ดวงเดียวเท่านี้ที่เดชชำละให้เต็มภูมิสมควรจะทำทั้งแท่งถึงสมควรจะทำที่บริบรสุทธิ์แล้วเท่านั้น จะสามารถทราบธรรมทั้งหลายได้ตามที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านตรัสไว้ว่าธรรมมีอยู่ธรรมมีอยู่มีอยู่ที่ไหนใจเป็นผู้สัมผัสธรรมเมื่อใจสัมผัสธรรมขั้นใดมากน้อยเพียงไหนธรรมก็มีอยู่กับใจตรงนั้นมากน้อยเพียงนั้นเมื่อถึงขั้นบริสุทธิมุติธรรมแล้ว ธรรมที่บริสุทธิ์เต็มส่วนก็เต็มอยู่ภายในจิตใจของผู้เข้าสัมผัสเต็มที่แล้วนั้นเท่านั้นไม่สาธารณะแก่ผู้หนึ่งผู้ใดนี่แหละคำว่าธรรมมีอยู่รู้กันอยู่ที่ใจสัมผัสกันที่ใจใจเป็นภาชนะสำหรับรับธรรมทั้งหลายในคำที่ว่าพระพ้ทธเจ่าตรัสไว้ว่ามีอยู่เพราะฉะนั้นจึงควรผิ จิตใจของเราให้เหมาะสมจะทําขึ้นไปโดยลําดับตั้งแต่ขั้นสมาธิธรรมคือความสงบเย็นใจถึงปัญญาธรรมขั้นนั้นๆสมาธิก่อตั้งแต่ขั้นขณะรวมชั่วขณะชั่วการแล้วถอยตัวออกมาแล้วรวมแล้วรวมเล่ารวมหลายครั้งหลายหนก็เป็นสมาธิที่แนบแน่นเข้าไป เมื่อขยายออกทางปัญญาสมาธิก็เป็นเครื่องหนุนปัญญาได้เป็นอย่างดีราะจิตที่มีสมาธิจะพิจารณาทางด้านปัญญาย่อมเป็นความสะดวกสบายเพราะหิตไม่หิวโหวยกับอารมณ์ใดๆเนื่องจากจิตมีความอิ่มตัวด้วยความสงบถอยออกกางจากความสงบแล้วจึงทำหน้าที่ทางด้านปัญญาได้ด้วยความสะดวก ตามขั้นอย่างสมาธิที่มีอยู่นั้นๆจะสนับสนุนปัญญาขั้นนั้นๆให้มีกำลังมากขึ้นเป็นลำดับจนถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาไม่มีอยู่ที่ไหนทาที่กล่าวตรงนี้อยู่ที่จิตให้ผิดขึ้นมาเวลานี้มีตั้งแต่กิเลสผิด หลูกเต่าล้านเลนของมันขึ้นภาในจิตใจของเราที่ ท, ทราบตนอยู่แล้วว่าเป็นนักปฏิบัติแต่การปฏิบัติของเรานั้นถูกกิเลสสวมรอยเข้าไปทำงานในวงความเปลี่ยนนั้นโดยไม่รู้สึกตัวเพราะความพังเือบ้างความทอดแท้อ่อนแอบ้างมีาถา เาะกิเลสแหลมคมมากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในโลกกรถางนี้จะต้องแทรกเข้าไปได้ทุกระยะถ้าสติปัญญาไม่ถันไม่เพียงพอโดยเหตุ น, นี้ท่านจึงให้อบรมสติปัญญาขึ้นด้วยความภาคเพียรในแง่ต่างๆไม่ให้ลดละจนกลายเป็นสติขึ้นมาเห็นได้อย่างชัดเจนกลายเป็นปัญญาขึ้นมาได้อย่างชัดเจนแล้วฟาดฟันกิเลสประเภทต่างๆที่เหมาะส พอเหมาะพอสมกับกำลังของสติปัญญานั้นให้ขาดไปโดยลำดับลำดับได้อย่างชาัดเจนเช่นเดียวกันเมื่อถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วก็เป็นสติปัญญาที่เกลียงไกลที่สุดเลเลจะเคยมีอำนาจวาสนามีกำลังวงังฉาเคยหลอกลวงหรือต้มตุนจิตใจดวงนี้มานานเท่าไหร่สติปัญญานี้จะตามทันตามทัน แล้วฟาดฟันหันแหลกกันให้ขาดสะ บ, บั้นลงไปได้โดยลำดับ ๆ, ๆจนกระทั่งกิเลสประเภทต่างๆเพราะอย่างยิ่งแม้แต่จอมรรษจกษัตริย์วัตจักรคืออวิชชาก็ายังต้องถูกหมอบลงไปก็ไม่พ้นสติปัญญาขั้นนี้จะต้องตามทำลายจนได้ไม่มีกิเลสแม้ปรมาหนหลืบ อยู่ภายในจิตใจนั้นเลยนี่คือวิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วเป็นมาแล้วภาษาวกทั้งหลายทรงก็ดำเนินมาแล้วเป็นมาแล้วด้วยธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้เพราะฉะนั้นธรรมที่กล่าวมาอันเป็นปายเหตุนี้จังเป็นธรรมที่ทันสมัยอยู่เสมอกับผู้ต้องการจะเผากิเลสอยาให้กิเลสเผาเรา เหมาะสมอยู่ทุกประยะคํคำว่าทุกขสัสส์สมุทัยสัสส์นิโรธขสัขสสะมรขัสส์มีอยู่ที่ไหนความจริงของสัจธรรมเหล่านี้สถานที่อยู่ของสัจธรรมเหล่านี้อยู่ที่ไหนท่านกล่าวไว้ในตำรามีทุกคำพีเต็มอยู่ในคำพีแต่เป็นชื่อของสัจธรรม ตัวสัจธรรมจริงๆอยู่ที่ไหนทุกคือความทุกข์กายทุกข์ใจมีอยู่กับกายกับใจของเหล่านี้นี่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากสมุทัยทุกทางร่างกายเกิดขึ้นจากความวิการของธาตุอันเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่จะให้ร่างกายได้เกิดความทุกข์ความลำบากเช่นดินฟ้าอากาศหรืออาหารเป็นเครื่องแสลนทําให้ร่างกายกาเนิดเกิดโตเกิดภัยขึ้นมา อาจะพูดถึงเรื่องสมูทยัยอันนี้ก็เป็นสมูทัยของส่วนร่างกาแต่ท่านไม่เข้ามาเกี่ยวข้องนะสำคัญที่ใจจะมาเป็นผู้เสริมด้วยอำนาจของสมูทัย น, นั้นแหละมายึดมั่นถือมั่นมาสำคัญผิดต่างๆให้เกิดความเดือดร้อนขึ้นมาเป็นทุกข์ขั้นที่สองอันเป็นความทุกข์ใหญ่ยิ่งกว่าร่างกายเป็นทุกข์โดยธรรมชาของตนคาว่าสมูทัยคืออะไรแดนผิดทุก สมุทยะแปล ว, ว่าแดนผิดทุกข์ขึ้นมาท่านพูดย่อๆเอาไว้ว่ากามตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหากามตัญหาก็คือความรักความใคร่ในวัตถุอารมณ์ต่างๆไม่มีสิ้นสุดยุติรักอยู่เช่นนั้นไม่มีความอิ่มพอใคร่อยู่เช่นนั้นจงกระทั่งวันตายหาวันสงบ ้ายบตัวลงโดยลำพังไม่ได้เลยมีแต่ความหิหวโหยมีแต่ความกระวนกระวายเพราะความลักความใคร่ความอยากได้ความต้องการเป็นอยู่เช่นนั้นตลอดท่านหลักการมาตัณหาถา่ว่าตัณหายินดีในสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ของตน ใมีอะไรก็ยินดีในนั้นติดในนั้นรักในนั้นชอบในนั้นไม่ว่าเป็นวัตถุไม่ว่าเป็นอารมณ์ไม่ว่าเป็นอะไรไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดอยู่ในวงแห่งภาวะตัณหายินดีในของมีอยู่ของตนทั้งนั้นวิภาวะตัณหาของไม่มีก็ยินดีก็รักชอบอยากได้นะเสนอ ว, วิภาวะตัณหา สรุปแล้วมีปัญหาสามประเทนี้เป็นผู้ออกหน้าออกตาแสดงออกถึงกับทางมารยาทให้เห็นอย่างชัดเจนการมาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวตัญหานิโรธท่านเพียงบอกไว้ว่าทำให้แจ้งให้เห็นนิโรธอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะไปทำนิโรธให้แจ้งโดยไม่เกี่ยวข้องกับ เครื่องมือกับอุบายวิธีการต่างๆจะทำนิโรธให้แจ้งขึ้นมาเฉยๆนั้นทำไม่ได้เพราะเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากมรรคมรรคคืออะไรมรรคะแปลว่าะวะทางหรือแปลว่าเครื่องมือปราบปรามที่เล็กตัวสมุทัยเหล่านี้ให้ลดน้อยลงไปจนกระทั่งสิ้นซากไปจากจิตใจ มรคปฏิปทาคืออะไรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกโปหมายถึงความฉลาดแล้มคมของไหวพริบปัญญาที่จะให้ทันกับกลมายาของกิเลสทุกประเภทที่แสดงขึ้นมาภายในจิตใจดวงเดียวกันกับสถานที่ฤึกสติปัญญาขึ้นมานสัมมาวาจา กล่าวด้วยอำนาจของสติปัญญามีสติเป็นผู้ควบคุมกล่าวเพื่อฆ่ากิเลสไม่ได้กล่าวเพื่อส่งเสริมกิเลสไม่ได้กล่าวเพื่อส่งเสริมทุกข์แต่กล่าวเพื่อฆ่ากิเลสไม่ให้ทุกข์เกิดขึ้นมาสัมมาทิฏฐิวาจาชอบันวัฒสัมมากัมมันตะการงานชอบของพระเราคืออะไร เราอยากพูดถึงการงานชอบของโลกทั่วไปซึ่งมีหลายแง่หลายแขนงตามเพศของเขาเราหมายถึงงานของพระนี่คำว่าการงานชอบคืออะไรเตอเตสาโรมานาขาทันตาตะจูนี่คืองานที่พระอุปชามอบให้มาตั้งแต่ดั้งเดิมแต่พระพุทธเจ้าสืบมา ว่าเกสาโลมานาขาทันตาตะจตูตะโจดันตานาขาโลมาเกสานี้เป็นต้นนี่คืองานชอบและมีงานท่านมอบงานให้สมากัมมันตะแล้วจะทำอย่างไรให้งานนี้เป็นไปได้วยความชอบธรรมดังที่ท่านสอนไว้อย่างนั้นต้องใช้ความพินิจพิจารณา เอาสติปัญญาเข้ามาจดจ่อต่อเนื่องกันในอาการเหล่านี้ซึ่งจะสามารถซ่าซึมซาบไปทัวสนุสนุ่างร่างกายของเราว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรเกสาโลมาเป็นของสวยของงามหรือเป็นของสปกปรกครกภุมหลังเป็นสิ่งที่น่าเกลียด น, น่ากลัวน่าขาเล็บตะโจนหนัง คนเรามีหนังเท่านั้นหุ้มห่อไว้ตลอดถึงสัตว์จึงเรียกว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าหญิงว่าชายว่าสวยว่างามได้พอถลกหนังออกหมดแล้วคำว่าหญิงว่าชายว่าสัตว์ว่าบุคคลก็หมดความหมายไปทันทีนี่ให้เรียนให้ปฏิบัติสิ่งเหล่านี้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งต่างหลักความจริงที่มีอยู่ในตัวของเราตโจ ประจะปริยันโตร่างกายนี้มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบหนังนี่แลยเป็นเครื่องพรางตามนุษย์ตาฝ่าให้ถูกกิเลสหลอกลวงว่าเป็นของสวยของงามของกีรังถาวรไปเสียหมดตาแจ้งตาสว่างก็กลายเป็นตามหมืดไปหมดเพราะกิเลสมันปิดตามไม่มีกระจกคือปัญญาสองให้ถึงตามหลักความจริง ท่านจริงให้ใช้ปัญญาพิจารณานี้เรียกว่าทำงานทำงานชอบเนี่ยมีละชอบที่จะถอดถอนกิเลสความยึดมั่นสำคัญผิดออกมาจากความรุ่มหลงถอนตัวออกมาด้วยความรู้ชอบเห็นชอบของปัญญาจนกระจายไปหมดทั่วสันพางร่างกายจะแยกไปเลือกทั้งทาง อสุภะมันก็เต็มไปด้วยอสุภะทั้งร่างกายนี้อยู่แล้วสงสัยที่ไหนกันเหตุสันต์ย่อว่าเป็นของสวยโองงามให้กิเลสได้ใจไปทําไมเพราะสิ่งเหล่านี้กิเลสมันเป็นของปลอมมันจึงเศษของปลอมมาหลอกหวงพวกเราทั้งๆ ท, ที่ไม่สวยไม่งามมันก็บอกว่าสวยว่างามเราก็เชื่อมันร่ำไปตัวคนทั้งคนเหม็นคลุ้งไปหมดถ้ายทั้งที่ยังไม่ตายถหายลมออกมาเท่านั้น มันก็เต็มไปด้วยของปฏิกูลเห็นไประจักษ์กับใจแล้วทําไมจึงไปยอมเชื่อกิเลสว่าเป็นของสวยของงามน่ารักค่ายชอบใจอยู่ได้หลงขนาดไหนมนุษย์เหล่าเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติเพื่อจะซ้อซองสิ่งเหล่านี้ให้เห็นด้วยปัญญาเอาไปไว้ที่ไหนปัญญาจึงไม่เห็นชอบตามสิ่งที่มีอยู่โดยหลักธรรมชาติแห่งความจริงทั้งตนนี้ให้ชัดเจนล่ะนี่คือการงานชอบพิจารณาให้ชอบ ตามหลักของงานที่พระพุทธเจ้าทรงมอบไว้นี้แยกลงไปความแปรสาภาพมันแปรอยู่ทุกขณะทุกเวลาไม่ฟังความจริงนี่บ้างเหรอทำไมจึงไปฟังสิ่งที่วันนิดจางเที่ยงสุขขังจะเป็นสุขไปเรื่อยๆเพิดเทินรุ่มหลงไปเรื่อยๆตื่นลมตื่นแรงไปด้วยอำนาจของกิเลสตัณหารู้ไหมว่ามันหลอกไปขนาดไหน ความกินมันเป็นของแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาตามหลักธรรมเป็นอย่างนั้นทุกขังบีบบังคับหาความเป็นอิสระไม่ได้อนาตตาใครจะอัดเอื้อมถือว่านี้เป็นเราเป็นของเราให้รับความสุขความเจริญเย็นใจหายจากทุกไปได้เพราะยึดสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นตนเป็นของตนมันจมมาด้วยความยึดความถือนี้มากมายเพียงไหลมนุษย์และสัตว์เรา พระความเชื่อกิเลสตัวหลอกลวงตัวจอมปลอมแผลเผาสิ่งนี้ให้มันแหลกแตกกระจายไปถึงหลักความจริงเห็นอย่างชัดเจนด้วยปัรดาจะเอาอะไรไปเผามันละ่ะเผาเครื่องจอมปลอมของกิเลสเศษสันพันดอขึ้นมานนี่นี่พูดถึงเรื่องร่างคายก็เห็นชัดเจนอย่างนี้นี่แหละคือ ง, งานชอบ เดินจงกรมก็เพื่อพิจารณาสิ่งเหล่านี้นั่งสมาธิภาวนาก็เป็นงานแต่ละอย่างอย่างให้ชอบด้วยการพิจารณาตามหลักธรรมที่ถูกต้องนี้จึงเรียกว่างานชอบสมาวายามะว่างก็เข้าในจุดเดียวกันนี้ เรียงมาอธิบายให้มากไปแล้วก็ไล่กันลงไปถึงส่วนละเอียดสุขทุกข์เฉยๆเป็นเมตนาเป็นสัญญาเป็นสังขารยินยานอะไรกระดิดขึ้นมากับเพื่อมขึ้นมาตัวหลอกลวงต้องขึ้นมาพร้อมๆกันเพรากิเลสเป็นผู้ขลักดันให้สัญญาสังขารยินยานเกิดขึ้นมา นี้เป็นเพื่องมือของขีเล็กอยู่แล้วจึงต้องใช้ปัญญาเป็นเพื่องมือเพื่อแยกแยะให้เห็นความจริงความปลอมนั่นก็หายไปหายไปเพราะคำว่าอนิจจังทุกขังอัตตาแต่ละขันละขันนั้นเป็นความจริงสามารถที่จะลบล้างสิ่งจอมปลอมทั้งหลายเหล่านั้นได้เนี่ยนี่พระพุทธเจ้าท่านมอบงานให้พวกเราอย่างนี้ได้ทางานนี้ จนกระทั่งทะลุปุปรงไปตามหลักความจริงของพระพุทธเจ้าแล้วกิเลสไม่ต้องบอกมันแพ่กระจายไปหมดยึดมัน่นถือมั่นในรูปกิเลสอยู่ในรูปกิเลสอยู่ในเวทนากิเลสแทรกอยู่ในสัญญาในสังขารในวิญญาณถูกกาจัดออกด้วยตวปะธรรมจนไม่มีที่อยู่ มันเมื่อมีที่อยู่ตงไหนจะพออยู่ได้มันก็หลบกระซ่อนเข้าไปซ่อนเข้าไปจนกระทั่งไปถึงจิตนะไม่มีที่ไปแล้วทางตาหูจมูกลิ้นกายทางรูปเวทนาสัญญาสั้งขามียาอันเป็นที่อยู่ที่อาศัยที่หลบซ่อนของกิเลสเป็นมานานก็ได้ถูกทําลายลงไปแล้วด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยอสุภะอสุภังอันเป็นธรรมของจิต สิงที่ปลอมมันก็แหลกไปหมดเห็นปรากฏชัดแต่ความจริงเท่านั้นยิ่เล็กก็หาที่หลบซ่อนไม่ได้เพราะยิ่เล็กไม่ใช่ของจริงเป็นของปลอมเป็นค่าสิทต่อธรรมแต่นายอะไรมาจึงเราทำเข้าปราบยิ่งเล็อถูกทําลายลงไปเป็นลำดับลำดับมันก็ยังเหลือแต่จิตตาอวิชชาเท่านั้นไปอยู่ที่ตรงนั้นพระมีที่ไป ถูกตีต้อนเข้าไปฟันเข้าไปแหลกเข้าไปเนี่ยบริษัทบริวารถูกสติปัญญาสัทธาความเพียรฟาดฟันหันแหลกแตกกระจายกระจายกันไปหมดหลงแม่หลงลูกหลงปู่ย่าตายาย่ไปรวมตัวอยูน่ในจิตอาชิตเป็นอะไรฮะิตมีจิตตะวิชาอยู่นั้นจะถือว่าเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไร ตัวพร้อมทั้งตัวมันเข้าไปอยู่ในนั้นคืออวิชาปฏิยานะนั่นเ น, น่ยอนิจังทุกขลักษณของจิตกับของอวิชากลมกลืนเป็นอันเดียวกันสติปัญญาฟาดพันลงไปไม่นอกเหนือจากคำว่า น, นิจังทุกขลักษณเหมือนกันไว้ใจกันได้ยังไงถือได้ยังไงถือจิต เ, เหมือนจินข้าทั้งเปลือกเหมือนจินปลาทั้งก้าง อเดี๋ยวมันขวางคอตายว่างถึงต้องแยกแยะให้มันชัดเจนตาปะตาปะแปลว่าอะไรแปลความแผดเผาเผาก็้าไปเผาเข้าไปอันในเป็นของปลอมทนอยู่ไม่ได้มันจะกระจายไปอะไรเป็นของจริงทําลายก็ไม่สูญเมื่อเป็นฉะนั้นสติปัญญาทําลายเข้าไปตรงนั้นสิ่งที่เป็นของปลอมคืออวิชชาปัจจะยามันก็ถูกสลายถูก ไปแ ต, แตกกระจายสาดลงไปไม่มีสิ่งได้เหลือสิ่งที่เหลือก็คือความบริสุทธิ์ของใจนั่นของจริงแท้ไม่ชิบหายนั่นลัที่หน่การเปื้อนพบเรื่องชาติสำเร็จขึ้นมาด้วยการทำลายรวงลังของอวิชชาที่อยู่ภายในวัตจกิให้กลายเป็นวัตจักรบัดนี้เป็นวิวัฏจักรแล้ววิวัฏจักรกลับไม่หมุน เช้น ส, สุดกันลงในจุดนั้นนี่ผู้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติอย่างนี้สอนทำไว้อย่างนี้ถ้าสาวกทั้งหลายท่านก็ปฏิบัติแบบนี้พระเกียรตการมาด้วยความทุกข์ความลำบากเช่นเดียวกันหมดเราจะไปหาสวรรค์นิพพานในการนอนตัวอยูกับกิเลสได้อย่างไรแล้วเราจะไปหาสวรรค์นิพพานด้วยการต่อสู้กับกิเลสในขณะที่กําลังเป็นทุกข์ได้อย่างไรต้องยอมรับว่าทุก ทุกไปเคยเป็นมาแล้วด้วยความเพี่ยรประจากองพระพุทธเจามาถึงขั้นสลบสลายไม่จัดวเป็นทุกข์ได้ยังไงมีเราองค์ไหนใครบ้างที่ประกอบความภาคเพียรจนถึงขั้นสลบสลายนอกจากสลบลงหมอนคร้าบค้อไม่มีวันตื่นเท่านั้นเพราะน้ำของกิเลสมันจับไตีลงหมอนเราจะว่ามันถักลงหมอนมันไตลงนั้นกรอกมันมีตั้งแต่กิเลสมัน ลุมร้อมอยู่ตลอดเวลาเรายังโออาน่าเริงอยู่เหรอว่าเราเป็นนักปฏิบัติฮะแล้วเขาว่านักวัดป่าบรรดาปฏิบัติดีเคร่งครัดตื่นลมเขาแล้วหรือเราปฏิปฏบัติกับที่เลสเคร่งครัดแค่ไหนมีไหมถ้าไม่มีอย่าตื่นลมเขาให้เป็นการเสริมที่เลสขึ้นมาอีกประเภทหนึ่งจะลืมตัวหนักเข้าปากเอาตรงนี้ จึงชื่อว่า น, นักปฏิบัติเอาให้เห็นจริงเห็นจังตามหลักพุทธิเจ้าที่สอนกิเลสไม่เหนืออำนาจของความภาคเพียนที่กล่าวมาเหล่านี้ไปได้เลยตาเวลากิเลสมันผ่าผลต้องใช้อุบายวิธีการศาสตร์อาวุธคือสติปัญญาให้ผ่าผลเช่นเดียวกับให้เหนือมันอยู่เสมอมันถึงขั้นจะสรกเายอมสลกมันถึงขั้นจะตาอาปาดไม่ถอยคาว่าถอยไม่มี สุดท้ายกิเลสนั่นเนี่ยจะสลบซึ่คกิเลสนั่นแะะะน่นแะจะตายเราไม่ตายพระพุทธเจ้าไม่พาไม่พาตายเพียงสลบสาวกทั้งหลายก็ไม่พาตายทําไมเราจะตายนั่งปฏิบัติด้วยกันมีแต่ได้ยินแต่ว่ากิเลสมันตายเท่านั้นเอาให้ยินให้จังเลยพยายามสอนหมู่เพื่อนเต็มที่เต็มฐานเต็มส ต, ต, ติกําลังความสามารถด้วยความเป็นห่วงเป็นดยหมู่เพื่อน ยิ่งกว่าความเป็นห่วงเป็นยยใยไข่ไขทั้งนั้นเพราะได้ก้าวเข้ามาสู่แนวรบเข้ากรอบที่ควรจะได้จะถึงสิ่งที่พึงพอใจอย่างยิ่งแล้วทำไมจะพลาดไปได้ให้เดีมันมาแยกมาแบ่งสรรบันส่วนเอาไปกินเยอะจนไม่มีติดเนื้อติดตัวเป็นไปได้เหรือสมควรแล้วเหรือนักปฏิบัติเราเอาให้ริงให้จัง การแนะนำต่งสอนทุกแง่ทุกมุมได้ทุ่มเทลงเต็มทัศติกำลังความสามารถของตนที่ได้ประพฤติปฏิบัติมาอย่างไรบ้างทางป่ายเหตุและผลในปรากฏอย่างไรบ้างการแนะนำต่างสอนเหตุกับผลก็กรมกินกันไปแล้วไม่มีอะไรที่จะนาสงสัยก็มีอยู่ตั้งแต่ประโยคพยายามของเราแต่ริงแค่ไหนจะหวงวัตจักจะหวงความทุกข์ความลำบาก ในพบน้อยพบใหญ่จะหวงในเรื่องความทุกข์เพราะกิเลสบีบบังคับกิเลสทิ่มแทงหัวใจนั้นหรือจะหวงความภาพเพีย น, ยนหวงสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนที่จะฟาดฟันพัน่นแหลกกับกิเลสหวงมรรคผลนิพพานมากกว่าหวงกิเลสหรือจะหวงอะไรมากกว่ากันต้องชั่งน้ําใจเจ้าของให้เต็มที่เอาฟาดลงไปือหยาบ ไปเสียนายชีวิตนี้เสียดายเท่าไรมันก็มาอยู่ถึงการมันแล้วมันต้องตาย<ม>คนโง่ก็ตายคนฉล า, าดก็ตายคนมีกิเลสเต็มหัวใจก็ตายคนสิ้นกิเลสก็ตายเมื่อถึงคราวมันถึงการของมันแล้วที่บากขันนี่มันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งอย่างไรก็ขอให้กิเลสตายไปก่อนที่ยังมีชีวิตอยู่นี่เถอะเราจะเห็นความอัศจรรย์ที่พระเจ้าประกาศไว้สองพันห้าร้อยปีมาแล้วนี้ มีแต่ชื่อความมหัศจรรย์ยังไม่ปรากฏในหัวใจเราเลยฟังเป็นลมๆแรงๆมันก็เป็นลม ๆ, ๆแรงๆมันไม่มีความจริงเพราะความจริงยังไม่ขึ้นรับภายในาจิตใจของเราเนื่องจากความเพียรยังไม่รับกันพอที่จะปรากฏผลอันเป็นความจริงขึ้นมาประจักษ์ใจเป็นอัตตะสมบัติของใจของตนอย่างสมบูรณ์นั้นขอให้ทุกท่านเปนนำแต่พิิจพิจารณาเชื่อไปเชืมารู้สึกอ่อนลงอ่อนลงเหนื่อยแล้วเอละหยุดอืเดี๋ยวนี้ p a ะ k ทศน่น